บทที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดความตื่นเต้นบังเกิดขึ้นกับคณะทั้งหมดในทันทีเป็นความจริงเหรอเชยันท่านหัวหน้าคณะก้าวพรวดเข้ามาชิดตัวสหายของเขาผู้ยังจ้องขมิงอยู่ที่สัญญาณแสงสะท้อนนั้นจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่แพนใหญ่ของเราเองแต่ฉันรับรองว่าแปลสัญญาณไม่ผิดแน่นั่นไงเขาบอกซ้ำข้อความเดิมมาอีกแล้ว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 นึกว่าอ น, นาจระเบิดจะทำให้มันเกรงกลัวแตกพ้ายไปได้โดยใช้วิธียิงผ่าก็มากลางฝูงนี่ น, นะสิริงอยู่พวกมันอาจตายย่อยยับแต่ที่เหลือก็คงมีจำนวนพอที่จะฆ่าพวกเราทั้งสิบคนนี้ได้ภายในพริบตาเหมือนกันเชษฐาสันสีสักเมคุณพูดเหมือนกับว่าไม่รู้จักระพินกังแงนายงั้นแหละทั้งสองคนรอบคอบที่สุดและในวิกฤตการ์ของหมู่คณะเช่นนี้เราต้องยอมรับ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 ซึ่งก็ไม่เป็นภัยกับพวกเราแน่นอนภัยวันกระแงซรายได้ธนูติดระเบิดคืนมาก็จัดว่าเป็นการดีที่สุดแล้วเขาควรจะคุมอำนาจในกามือชนิดนั้นไว้เฉยๆเพื่อรอดูท่าทีของมันจนวาราสุดท้ายไม่ควรจะทำอะไรในขั้นแตกหักลงไปซะก่อนเขาต้องไม่ลืมด้วยว่าลังทางธนูติดระเบิดนะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นมาได้เลยดาบใบก็าตามที่สัมภาระส่วนใหญ่ของเรา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 และล้มลงนอนเฉยอยู่กับที่ใครจะไม่มีแรงเดินต่อไปมันก็ตรงเข้ามาทําท่าเหมือนจะอุ้มหรือแบกหล่อนไปจนกระทั่งแม่สาวบอกกับตนเองว่าหลอนสามารถจะทําความเข้าใจกับมันเพิ่มขึ้นเป็นลําดับและทําไมเกรงว่าพักพวกคนอื่นๆจะมีความรู้สึกพิกลขึ้นหล่อนก็อยากใจมันอุ้มหล่อนไปซะด้วยซ้ําสบายดีซะอีกจะได้ไม่ต้องออกแรงเดินแต่คราวนี้มันจะพาหลอนข้ามฟ้าป่าหิมะผ่านถึงไหนก็เชิญ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 เนี่ยใสายหัวเราะด้วยอารมณ์ขันแท้จริงเป็นครั้งแรกทำให้ใบหน้านั้นแลดูงามสดใสขึ้นอย่างประหลาดโปรดอย่าทดลองใจผมด้วยคำพูดเช่นนี้เลยครับผู้กองไปเถอะเรารีบออกก้าวสกัดจะได้ใช้เวลาเหล่านี้คิดไปด้วยดีกว่าที่ผู้กองจะมาคิดด่าว่าที่มตาตำอะไรผมนะครับพานใหญ่หัวเราะในลำคอใช้หลังมือตบแผงอกอันกว้างใหญ่เต็เมด้วยพละกาลังนั้นหนักหนัก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 ได้อย่างถนัดชัดเจนที่สุดเพราะมันญา่าดรากันไปอย่างช้าๆเพื่อรอเฉลยมนุษย์ซึ่งก็ดูเหมือนจะพากันเดินเตะถ่วงตามสบายเพราะความที่ยังไม่อาจตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนลงไปอย่างใดไ ด, ได้ประกอบกับความพิษสวงที่สังเกตเห็นว่าสรพสัตว์ซึ่งตามปกติแล้วควรจะแลเห็นหากินอยู่กราดเกลื่อนตามสภาพอันควรเป็นของป่าแถบนี้ในวาระนี้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 พอที่จะขับไล่ไม่ให้มันมารบ ก, กวนเราอีกต่อไปแต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาแกหมายถึงสัมภาระของเราที่มันยึดไปเหรอใช่ครับพรานใหญ่อึ้งแง้ทายกล่าวแผวเบาต่อมาว่าแล้วก็สมมุตินะครับว่าเราสามารถทำให้มันแตกพ่ายไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ออกติดตามค้นหาของของเราหรือแกะรอยมันต่อไป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 กับพ่อมึงรู้ภาษาพมา่าหรือกระเรียงไหมละ่ะแงสายยักษ์ไหลก็อีกนั่นแหละครับผู้กองพูดภาษาพมา่าได้แต่ผู้กองก็คงไม่รู้จักอักษรพมา่าหรือว่ารู้จอมพรานเกาศีรษะแกรกเขาโมโหโจนต้องกลายเป็นความขันจริงจริงว่าไงแงายฉันพบคนมามากแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครมันดีดดิ้นลวดลายมันแกลือักคนพูกระง่ายๆดีกว่า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 น่าจะหงุดหงิดเดือดดานในความหน้าตายของมันเพียงไรระพินก็สะดุดขากับคำถามมันเต็มไปด้วยเหตุผลซึ่งเขามองข้ามไปฉะนั้นเออจริงด้วยเอางี้ไม่ว่าแกจะเปลี่ยนทิศไปเดินอยู่ทางด้านใดของขบวนของทั้งหมดของเราก็ตามเอาเป็นว่าแก ค, คอยส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ด้วยทุกๆสินาทีเป็นระยะไปดีเหมือนกันฉันก็จะได้รู้ว่าขณะนี้แกย้ายตัวเองไปอยู่ทางด้านไหนของขบวน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 เราพินกระชากเสียงฉันก็มีความคิดเหมือนแกเหมือนกันทำไมก็ถึงไม่เช่าคอปเตอร์สักลำเหาะไปก็ไม่รู้สิแทนที่จะมาเดินกันให้เหนื่อยยากถ้าไตาหงุดไตาหายอยู่เนี่ยแต่ถ้าได้รถถังหรือปืนใหญ่มาด้วยสักกระบอกเราก็คงจะยิงไอลิงเวณพวกนี้ตายเรียบไปหมดแล้วไม่ต้องให้มันมาจับตัวแบบนี้เง่ทายปิดปากหัวรอกคิกๆๆอ่ะแยกกันเดี๋ยวนี้ละ่ะฉันจะไปละ่ะจอมพานหน้านี่บอกไปต่อมาโดยเร็ว แล้วออกเดินแผะเดินแยกไปในทันทีแต่แล้วก็ต้องชะงักนิดนึงเมื่อเสียงแงซายร้องไล่หลังมาว่าผู้กองครับผมจะรอสัญญาณว่าเมื่อไหร่ผู้กองจะให้ยิงธนูติดเทียนทีพาเข้าไปกลางฝูงของมันนะครับถ้าขืนสนใจหรือรับอารมณ์มากนักในการยั่วยาวกระซาวแย่แบบหน้าตายของมัน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 แล้วเดินผ่านฝูงของธมนไพรเหล่านั้นเข้ามาด้วยอาการปกติหรือเจ้าพวกนั้นก็ไม่แสดงอาการสนใจอะไรด้วยขยินเป็นคนแรกเห็นก่อนชีโบชีเบบอกพักพวกทุกคนมองจับไปที่เขาเป็นตาเดียวด้วยความปลาดใจจนกระทั่งระพินฝาฝูงลิงเข้ามาถึงและเดินร่วมกลุ่มไปด้วยระพินเฉยๆเลยครับผมปล่อยแง้สายไว้ข้างนอกกําลังสกกลตามมาทุกระยะแล้วครับ คุชายันปรดส่งกล่องบุหรี่กล่องนั้นให้ผมด้วยครับผมจะใช้ติดต่อส่งสัญญาณกับแง่ายเองชายยันรีบส่งกล่องบุหรี่โลหะเป็นเงาขาววับให้เขาทันทีไปยังไงมายัางไงนี่ระพินคุณพมแง่ทายได้ยังไงผมหลบออกนอกวงล้อมของมันทางด้านหลังขบวนครับส่วนแง่ทรายนะ่ะคงหลบออกทางด้านหน้ามันดักคอยผมอยู่ก่อนแล้วในป่าโปร่งริมทางด่านก่อนจะเดินลงทุ่งนี่ แน่ใจว่ า, านคนพบลูกธนูของเราทั้งสามดอกกระบอกสอนพร้อมสนิษฐานว่าพวกมันคงจะเหวี่ยงทิ้งอย่างไม่สนใจแล้วมันก็ไปตกอยู่ซอกหินริมทางน่ะครับดารินกราเข้ามาจับแขนเขาวาอย่างลืมตัวถามเร็วปรือ้อจริงเหรอที่เราได้ธนูติดระเบิดคืนแล้วแล้ยังใช้ได้ดีหรือเปล่าจริงครับผมตรวจสอบดูแล้วสายชนวนยังติดอยู่พร้อมและระเบิดก็ยังมัดแน่นหนากับดอกธนูดีอยู่ขาที่คันธนูเท่านั้น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 พวกมันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนชายันพูดร้อนรนอย่างเป็นห่วงก็ข้อนี้แหละครับที่ทำให้ผมกระเแหย์สายลังเลอยู่มากถึงแม้ว่าเราจะได้ธนูติดระเบิดคืนมาก็จริงแต่ดูเหมือนแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในภาวะเช่นนี้นอกจากถือคุมเชิงไว้เฉยๆเท่านั้นคุณชายหรือพวกเราคนใดมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับเขาถามกราดมองหน้าไปยังทุกคนฉันคิดว่ามันยังไม่ทาอันตรายเรา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 แล้วคุณก็ทําถูกต้องแล้วที่ปล่อยเขาไว้ข้างนอกให้คอยคุมเชิงตามเราอยู่เช่นนี้เพื่อว่าจะได้ใช้ธนูนั้นช่วยเหลือเราได้ในวาระสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณชายกับคุณชั ย, ยันละครับเห็นยังไงบ้างท่านหัวหน้าคณะไครครวนอยู่อึดใจให ญ, ใหญ่ก็พยักหน้าก็ลองทําตามที่น้อยกเมว่าดูอย่าเพิ่งต่อสู้ขัดขืนอะไรมันในขณะนี้ก่อนดีกว่าต่อให้เราเอาชนะมันได้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 ตลอดเวลามันก็ไม่ไทําร้ายอะไรเราทั้งสิน้นอะตกลงครับถ้าความเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ว่าแต่คุณสั่งแงซายไว้ยังไงอะผมเพียงแต่ให้ตามคุมเชิงมาและให้คอยฟังคําสั่งที่เราจะแจ้งไปโดยสัญญาณเท่านั้นหรือถ้าคุณชายเห็นว่าไม่จําเป็นผมก็จะเรียกแงซายให้กลับมารวมกลุ่มกับเราก่อนอยา่าไม่ต้องเชษฐาพูดโดยเร็วจับแขนเขาไว้ดีแล้วล่ะคุณ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 ลักษณะกระบอกที่เป็นลำไม้ไผ่และลูกธนูไม่มีอะไรควรกับการสนใจของมันนักสนิษฐานว่าไอตัวใดตัวหนึ่งคงหยิบติดมือไปและเห็นว่าไม่มีค่าอะไรเลยก็เลยเบี่ยงทิ้งเราจึงพบแต่ลูกธนูเท่านั้นที่มันทิ้งไว้ผมกับแง่ทายค้นดูทั่วบริเวณแถวนั้นเลยนะครับไม่เห็นร่องรอยของอย่างอื่นๆของเราเลยทําไมคุณกับแง่ทายจึงดูว่ามีอิสระเสรีเหลือเกินนึกจะเดินออกนอกวงล้อมมันไปเมื่อไหร่ก็ได้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 หากผมจะแยกตัวไปอีกมันอาจจะสกัดกั้นไว้ก็ได้เอาหลักเกณฑ์แน่นอนอะไรกับมันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีแล้วนะครับที่จะให้แง่ทรายอยู่วงนอกซะการเดินรุดหน้าไปเป็นลำดับผ่านทุ่งแล้วทุ่งลาบภายใต้การนำของไอ้ธมลฝูงนั้นบางขณะก็ตัดไปในราวป่าโปร่งตามแนวที่ราบสูงและราบต่าสลับกันไปดูเป็นภาพประหลาดมาก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 และส่งเสียงโวกเวกกึกกร้องไปหมดมิพักพวกพันเดียวกับมันอีกมากมายโผงเงาออกมาจากแนวป่าและขุดขินรอบด้ามเต็มไปหมดกูกล้องทําเสียงเหมือนจะส่งภาษาบอกความหรือทักทายกันอึงคันึงณบริเวณอันมองเห็นชัดได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกมันนี้เองมนุษย์ทั้งหมดที่ตกเป็นชเชลยและถูกนําพาตัวมาจึงเพิ่งสังเกตเห็นเจ้าพวกลูกเล็กเด็กแดงยัวเยียอยู่ทั่วไป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 ซึ่งแลดูประดุดถนนที่ธรรมชาติตกแต่งสร้างไว้เป็นอย่างดีมีความกว้างและเตยนเรียบขนาดที่รถยนต์สองคันแล่นสวนกันได้อย่างสบายคดเคี้ยววนเวียนขึ้นไปสู่ลานอันมีระดับราบเสมอกันภายใต้หน้าผามาหคือมาเวิงวางเข้าไปสู่ปากถ้ำใหญ่เต็มไปด้วยห้องหักคูหาและมีก้อนหินนับอนันขึ้นเรียงรายอยู่ทั่วไป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 แต่ชยันก็ไม่เคยเตะถูกพวกมันตัวไหนสักตัวเลยเพราะมันหลบบาทาที่เหวี่ยงวาดมาได้ทุกครั้งตามสัญดานอันว่องไวของลิงไอเ้เตะไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่เดี๋ยวพัอเตะชะอดีในายทหารปืนใหญ่สบดสะบานลั่นหน้ามุยมาเรียกะดารินหัวเราะลั่นเอาเอาเอาใครว่าพ่อแม่มันไม่สังสอนแล้วชายันนั่นไงพ่อแม่มันช่วยกันไล่ตีลูกๆของมันเอาไปหมดแล้วไม่มายุ่งยากกับเธอ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 เจ้าน่ะกินนมแม่ที่จะตัวอ้วนปีเฉยนะมาไหมมากับฉันไหมเจ้าลูกเล็กเอาปากออกจากนมแม่แล้วยื่นมือข้างนึงส่งมาเขี่ยเล่นกับมือของหล่อนทันทีแต่แล้วนางแม่ก็ปัดมือลูกออกซะขยุ่มกอดประทับไว้กระอกแยกเขีย้ยวยื่นหน้ามาใส่หล่อนอย่างหวงแหนดารินหัวเราะเบาๆพร้อมกับสายหน้าน้อยๆ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 น้ก็ไปขอุ้มมาจากแม่ของมันแหะครับพี่ใหญ่นี่ไงคะแม่มันเดินตามหลังมาด้วยนี่ลูกมันน่ารักจังหล่อนตอบปนหัวเราะพร้อมกับเอามือรูปศีรษะเจ้าลิงน้อยอย่างรักใคร่ชายันจ้องตาเลือกนี่เธาไปเอามาได้ยังไงโดยที่แม่มันไม่ขบขหมองเธอเหลวไปอะ่ะฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอชายันว่าเราน่าจะมีสมาคมกับพวกมันได้อย่างมิดถ้าเราพยายามและไม่มองมันในแง่ร้าย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 ที่คิดว่าจะไม่เป็นศัตรูกันดารินตอบอย่างมั่นใจมารดียตาเป็นประกายล่นส่งมือจะมาขออุ้มเจ้าลูกลิงบ้างแต่เจ้าลิงน้อยไม่ยอมพละออกจากอกดารินกอดคอไว้แน่นชัยันเอื้อมมือมาจับตัวมันบ้างแต่แล้วเขาก็ร้องลั่นออกมาอย่างเดือดดาลเมื่อไอหอยลูกหลานนิลเพชตเอามืออันยาวเหยียดของมันไปโปกลงในกลางศีรษะของอดีตนายทหารปืนใหญ่ทำมาทุกคนต้องหัวเราะกันครืคร้น ถ้าอย่ลืมวิกฤตการที่แวดล้อมตัวสมบทสิน้นเจ้าลูกชายของฉันตัวนี้นะมันไม่ชอบหน้าเธอนักร็อชยันนี่ย่ามาถูกต้องตัวมาเลยดารินบอกพลังหัวร้องหึ่มเดี๋ยวพัด จ, จับสองขาฟาดเลยพับพาดิอา้าวจรงจริงก็ลองดูสิคุณนิลวันเดินตามหลังฉันอยู่ต่อยๆนี่ดูสิว่ามันจะแหกอกเธอไหมถ้าเธอทาอะไรลูกมันเข้าอะไรนะ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 ดีมกันพลาดท่าพลาดทางยังไงก็ปล่อยแม่เจ้าพระคุณสงคนนี่ไว้เมืองขีดขินนี่เชแล้วกันโอนสัญชาติเป็นประชากรลิงให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยชัยยันอุบอิบหัวรอดพร้อมกับชำเลืองไปทางมาเรียซึ่งกำลังหยอกล้อยอยู่กับลิงน่ารักที่ดารินอุ้มอยู่เพราะอาดีตนายทหารปืนใหญ่พูดภาษาไทยและมีการชายตามาที่หลอนแม่สาวจึงถามดารินว่า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 ระพินถอนใจแล้วนิ่งไปเห็นไหมจำนวนเลยผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับคุณหญิงในเรื่องนี้แ่ะครับสุดแล้วแต่คุณหญิงจะเข้าใจก็แล้วกันงอนเหรอเปล่ปาครับเพียงแต่ว่ามันเข้าใจยังไงบอกไม่ถูกเศ้าใจเรื่องอะไรไม่ทราบคนที่ผมรักไม่พยายามจะเข้าใจผมเลยไงครับว่าแต่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 แล้วนี่เป็นลิงแม่ลูกอ่อนซะด้วยซึ่งตามปกติแล้วจะร้ายกาจกว่าตัวผู้มากนะักมันก็คงเหมือนเหมือนกับความแปลกใจของฉันที่เห็นคุณหรือแงทรายสามารถเดินผ่านวงล้อมของมันออกไปได้เฉยๆโดยมันไม่กล้าทําอะไรนั่นแหละในกรณีของคุณกระแงทายนัน้อาจเป็นพระตะบะพรานหรือวิฉะนั้นก็ความลึกลับที่มีอยู่ในตัวอะไรสักอย่างนึงส่วนําหรับฉันนะั้นไม่มีอะไรมากหรอก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 ดารินวราริ์ก็จะไปถึงที่นั่นไม่ว่าสวรรค์หรือนรกขุมใด เ, เราไว้ซะด้วยจะตามตื้อชมัดไปทีเดียวคุณแสงสมงหรือแม่มาเรียน่ะตือ้อไปอยู่เพียงสองคนเมื่อไหร่ไม่เชื่อคอยดูรพินจ้องหน้าอีกฝ่ายหนึ่งจ้องประสานตอบอย่างชนิดมองลึกเข้าไปถึงแก่นใจริมฝีปากเฉิดพร้อมกับรอยยิ้มนิดนิดอย่างท้าทายขอให้จริงครับ จะเป็นความปลาบปลื้มปิติสุขที่สุดของชีวิตคนที่เกิดมาชื่อระพินไครวันครับเขากระสิบ <c lusive> ไม่มีสัญญาณใดๆส่งมาจากแง่สายผู้เร้นกายอยู่ที่ใดที่หนึ่งในขณะ น, นี้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวทั้งคณะกลางที่แจ้งจะต้องไม่คลาดไปจากสายตาของจอมพระเนจรผู้ขมังธนูคนนั้น ในที่สุดทั้ง11ชีวิตก็ถูกนำเข้าไปสู่บริเวณเวิงถ้ำอันกว้างใหญ่วิจิตรการด้วยมูหินแล้วพากันหยุดยืนนิ่งเหมือนจะตั้งหลักเพื่อสำรวจไปรอบๆตัวเพราะอย่างน้อยที่สุดเจ้าตัวจ่าฝูงซึ่งทำหน้าที่นำหน้ามาโดยตลอดนั้นได้หยุดชะ ง, งักลงและบัตรนี้ยืนอยู่นักที่ใดที่หนึง่งทางมุมด้านซ้ายของคูหาความสูงของเพดานหินเบื้องบน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 จะให้กราบไหวยังไงก็ยอมแล้ววะชั ย, ยันพึมพำออกมาตาลุกวาวขณะจิตหนึ่งที่เจ้านิลเพชรยืนอยู่เบื้องหน้ากองสัมภระเหล่านั้นเหมือนจะบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่มันยึดของของฝ่ายมนุษย์มากองรวมไว้มันทำเสียงอึๆในลำคอเบาๆราวกับจะพูดอะไรด้วยแล้วมันก็เดินช้าๆตรงเข้ามาที่มาเรียยังเจตนาเจาะจงอยู่ก่อนแล้ว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 เป็นเวลา น, านานครู่ใหญ่ขณะนั้นเจ้าธมนลศักดิ์ของชายันปล่อยข้อมือหลอนออกแล้วและมันยืนอยู่ข้างๆด้วยส่งเสียงอื้อในลำคอพร้อมกระ บ, บกมือตีภาษาใบากบมาเรียอยู่เช่นนั้นและมาเรียก็ค่อยๆเอื้อมมือไปแตะต้องสัมผัสร่างกายนั้นเหมือนจะสำรวจดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครทายเหตุการณ์ได้ถูกนอกจากพากันจ้องขมิง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 แขงอกหัวไหล่และขนขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามได้ส่วนและโดยอาการที่นอนงายเยียดยาวอยู่เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถยึดกายตรงเป็นแนวฉากกับพื้นในลักษณะของสัตว์ตสองขาแท้จริงร่างนั้นนอนหายใจวยรวยๆดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทส่วนกลางของลำตัวตรงบริเวณหน้าท้องดารินสังเกตเห็นผาดผาดว่ามีใบไม้หรือสมุนไพร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 ย่องเขมงอีกครั้งความตื้นความตื่นเต้นทำให้กายของหล่อนสันน้อยๆพระเจ้าฉันคิดว่าเขาควรจะเป็นต้นระกูลของมนุษยชาติพวกเรานี่เองนี่แอนเดอร์ธอนแมนมนุษย์ในยุคต้นประวัติศาสตร์้าตาฉันไม่ฝาดประหลาดเหลือเกินเมมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดฉันก็กำลังคิดอย่างเดียวกับเธอนน้อย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 แล้วเ็เป็นอะไรล่ะนั่นทำาไมถึงนอนหลับตานิงอยู่เช่นนั้นก็ยังหายใจอยู่ไม่ใช่เหรอสองสาวพูดกันในลักษณะกระซิบกระซาบฉันพอจะมองเห็นอะไรได้ลางๆแล้วละน้อยมาเรียกล่าวสีหน้าปั้นยากที่สุดแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปเลิกเปิดแผ่นของสมุนไพรเปียกๆที่วางอยู่บนหน้าท้องของร่างนั้นให้ดารินดูดูนี่สิน้อยเห็นไหม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 จักกันมากบาดแผลเกิดจากสัตว์ร้ายประเภทนี้เขาหรืออาวุธอะไรที่มากกว่าเขี้ยวเปิดผนังหน้าท้องเป็นแผลกว้างจนไสไหลเหตุการณ์คงเกิดขึ้นกว่าสี่แปดชั่วโมงนี่แหละเมเราเห็นจะได้คำตอบแล้วในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหมดถูกเจ้าลิงดำฝูงนี้นำมาที่นี่